ในพาสิทธิ์ที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบรํามีสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภายคู่คู่คมแล้วก็ วิ่งไปอย่างนั้นเองตามภาษิต ท, ที่ว่านี่ท่นานบอกพระห้องเวสระณังยันติปปัตตานิวันนานิจักอารามลุคเกเตยานิมนุษย์พยาตัชิกาเ <c oughs> นตังโคสะระณังเข้มมังเนตังสระณามุตตะมังเนตังสะระณามะกมะสับรุค้าปะมุจจะติมนุษย์เมื่อถูกภัยผู้คามแล้วยอมวิ่งหาที่พึ่ง ต่างๆ ต, ตามที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างแสงอาการบวงสวงเป็นสวงไหวบอนอะไรต่างๆนานานพ้นจากทุกจากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็นวัดร้างอารามมรุกอภิเจตยานี้ไป ตามเจดีร่างบ้างอะไรว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโคสานังเข้มังนั้นสานณะนั้นไม่กเกษมสานานะนั้นไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงจากอย่างไรก็ตามก็เป็นโมคะทั้งนั้นนี่ตาม บาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุทธันจะท ร, รมันจะสร้างขันจะเสรรนากรกตูผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธทเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นสนะจะตาอาษีสัจจานิสมะปัญญายปัดสติ ลุขังดุขะสมุปปังลุขะสัจติก ม, มังอริยจะทั่งยิกังมังดุขู่ปะสมังกามินะังผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมากอย่างกระจักใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข และพ้นทุกข์ไปโดยลํา ด, ดับๆจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเอตังโคสาระนังเข้มังเอตังสระนามุตตะมังเอชตังสระนามากัมมะสัมบูรุขาปมุจจตินั่นแลเป็นชนะอันกเกษมเป็นชนะอันปลอดภยัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่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 จึงสุม 4, สีุ่มห้ากันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นต้นมีชื่อว่าสนะอันกเกษมใน จ, จิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเลสย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการจะฐานหนึ่งจนได้ เราจึงอยู่ในค่ายแห่งความผู้คามเหน่านี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักสาร ะ, ะอันถูกต้องแม่นยำเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์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 บุคคลเหมือนๆกันหมดนี่คือเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสัตว์โลกทั่ ว, วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดท่านจึงสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำาบง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 เช่นใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนคุณเคืองด้วยจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นนั้นให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำสากซาคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งหลายหนก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเอง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 คิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกได้ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วการที่จะค้นสมมุติฐานของทุกของเหตุให้เกิดทุกนี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติกับปัญญาซึ่งเรียกว่ามักที่อยู่ในสัจ ธ, ธรรมอันเดียวกันคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ ก็ดับทุกคือความวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองทุกที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลวุ่นวายเหล่านี้มันเกิดที่ที่ขึ้นสีกจิตและให้พยายามระงับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเรื่องโลกเราจะว่ากว้างมันก็กว้าง แผ่นดินทั้งแผน่นใครจะกําหนดได้ว่ามันกว้างขนาดไหนนอกจากคนที่มีความชํนนานิชานาญพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเข้าไปอย่างนั้นในเราธรรมดาไม่สามารถว่าโลกนี้วัดโดยรอบมันได้สักกี่กิโลกี่ไมล์เหล่านี้แล้วความหนาของมันประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่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 และใครเป็นผู้รับทุกขที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกวเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งทุกทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้ก็นอกนอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่เมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แกียติธาตุเกียรขันเกียรจิตใจของเราในสารนั้นเป็นภาชนะอั น, รรนสําคัญสำหรับรับสุขและทุก์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืน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 รับเคราะรับกรรมอยู่ตลอดเวลาสร้างเคราะห์สร้างกรรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งเหล่า น, นั้นเป็นผู้สร้างเราจะว่าโลกธาตุมันกว้างมันก็ว่าไปตั้งแต่ความสําคัญของจิตคําพูดที่ออกจากปากของเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภ า, ายในกายกับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกข์นี้ให้ถูกต้องตาม หลักคำต่างสอนที่พระองค์ท่านตั้งสอนไว้ทุกข์ก็ไม่พ้นจากเราแต่ว่าทุกข์เราเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยได้เห็นภูเขาลูกไหนแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาเยียวยาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข่มีไหม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 เราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสำคัญท่านเพียงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสัตตวาพุทธรัตนังโอสถทั้งอุตมังวังธรรมรัตนังสังฆาัตนังโอสถทั้งอุตมังวังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจริงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจทุกจึงรอบด้านของใจ เพราะฉะนั้นใจจึงควรเป็นคนไข้สำหรับรบาบยาคือธรรมโอสถถ้าปราศจากธรรมโอสถเป็นเครื่องเดียวยารักษาแล้วใจจะไม่พ้นจากความร่มจมจะไม่พ้นจากความทุกข์ความทรมาน ต, ตลอดกลับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์จุดหมายปลายทางไม่ได้ เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรามานเพราะความค้ายหนักหรือป่วยหนักของใจด้วยพ่เลต อ, อาชวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกพกทุกชาติไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้วไปพบไหนก็คือใจจะเป็นผู้ ไปสู่ภพนั้นเป็นผู้ไปรับเคราะรับกรรมในภพนั้นๆเราจะหวังเอาความสุขความเจริญจากภพไหนถ้าเราไม่หวังไม่แก้กิตใจนี้ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเรากําลังรู้และรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่แก้ไขกิจให้เบาบางช่างซา ล, ลงไปจากความทุกข์ความทรมานที่เรียกว่าโรคของใจธรรมโอษฐจึงเป็น สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับใจของสาตร์โลกเราเป็นมนุษย์เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดและสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ไหนมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสําคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี้แดนมนุษย์นี้เป็นแดนที่เหมาะสมสําหรับเรา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 ด้วยธรรมโอสดพุทธังธรรมังสังฆังสนั ง, นงกระฉามินี่เป็นหลักสําคัญของใจให้ได้ยึดเรียกว่าเป็นธรรมโอสดแทรกซึมอยู่ภายจในจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเรืองความทุกข์ความลําบากนี้เป็นไปทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะใด เพราะเราอยู่ในท้ำกลางแห่งกองทุกจะไม่ให้เกิดทุกภายในบุคคลในสัตว์นี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกอยู่แล้วธาตุขันเ่านี้คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียวยารักษาเราจึงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องเหล่านี้ทีนีธรรมโอโสถที่จะเป็นเครื่อง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 เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงทวงปิตใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลาย ท, ทั้งทั้งที่เราทํางานอยู่เราเนยงเราเนงคิดได้เหตุได้เราจะคิดอัดครริดทำคือพุทธังธรรมังสังขงังภายในจิตใจของเราไม่ได้นี่มีเรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบําบุงน้ําใจเราอยู่สมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่ก จ, จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่ก จ, จิตใจ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 เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากบรรดสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี่เลยนี่เรียกว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราอยาให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่าด้วยการประพฤติก่อป่วยทุกข์มาเผารลมตนเองนี่ไม่สมควรแก่วความเป็นมนุษย์เดาอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุข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 ในบทธรมเบื้องต้นซึงได้พูดกันก็ว่าพระเวสนาังยันติการสอดแสวงหาที่พึ่งที่โลภภัยให้เป็นที่ปลอดภัยนั้นแสวงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ปิท่านจึงในแนะไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นแสดงในทางที่ผิดทางที่สอง ในทางเป็นความถูกต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธันจะทำมันจะสังขันจะทางกระโตแล้วก็แสด ง, งถึงเรื่องอริยสัจจะทมทั้งสี่ผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีงามทุ่มเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันเกษมพระพรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภ า, ายในจิตใจเป็นผู้บริสุทธ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 ไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสัตว์ลงไปแล้วเท่า น, นั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นหาคนที่ระลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนั้นเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขนาดที่คอยทำนายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัตก็เห็นโทษ ผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์นุเถวทัศน์นั้นอาจจะเป็นไปได้ในการตําหนิติเตียนือลบล้างาศาสนาคือาศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ลบล้างบุญลบล้างบาปให้ศูนย์ไปจากโลกไม่ให้มีด้วยความทุ่มพัญหรือด้วยกิเลสของตนคำว่ากิเลสมันมีอยู่ภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันจยากให้บุญให้บาปสูญหายไปนั้น หมดประจักษ์ใจผู้นั้นแล้วผู้ที่จะหาประกองทุกข์ทั้งทั้ ง, ท, งที่ลบล้างทุกข์เนะี่ยก็คือใจดวงนั้นแล้วยนเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้ตนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความมุ่นวายมีที่ใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเอง เท่าที่จิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวายนั่นแหละเป็นเครื่องก่อขวัเป็นเครื่องทําลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นทันนี้จะอธิบายถึงเรื่องการสเสาะแสวงหาที่พึงท่านทั้งหลายฟัง ทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเฟ้นเอานำมาะพื่อปฏิบัติสเสาะแสวงหาที่พึ่งของตนภายใน จ, ใจิตใจอะไรที่พึงอันเหมาะส ม, ไ, มได้รที่พึงอันกเกษมแล้วจะมีความกเกษมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอยึดติทงเพียงเท่านี้